การสร้างพระเครื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตสร้างพระพิมพชนิดต่างๆจำนวนมากพระพิมพ์ที่เจ้าพระคุณสมเด็จสร้างนิยมเรียกกันว่าพระสมเด็จดางในหนังสือนี้จะเรียกพระสมเด็จต่อไปเมื่อจะพนนา ว, ว่าด้วยพระสมเด็จจะต้องกล่าวถึงมูลเหตุการณ์พระพิมพ์ก่อนในตำนานพระพิมศาสตราจารย์จอร์เจเดเรียบเรียงว่า มูลเหตุที่จะสร้างคราบคิมนั้นเกิดแต่พวกสัป บ, บุรุษนิยมไปบูชาอย่างที่สังเวคาวัตถุทั้งสี่คือที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้ประธานปฐมเทศนาและประินิพานผ่านกันไปปีละมากๆอย่างเช่นชาวเราขึ้นไปบูชาพระพุทธบาทพวกสัพ บ, บุรุษชอบหาสิ่งซึ่งเป็นปูชนียวัตถุผ่านกันกลับไปบูชาที่บ้านเมืองของตนพวกชาวเมืองณที่เจดีสถาน น, นั้น จึงคิดทำพระพิมพ์ขึ้นสำหรับจำหน่ายดูยราคาถูกถูกให้ซื้อหาได้ทั่วกันพวกสาวบรุษก็พากันนิยมยินดีจึงเกิดชอบสร้างพระพิมพ์ขึ้นด้วยประการชนนี้แต่พระพิมพ์ที่มาสร้างกันในเมืองไทยนี้ความประสงค์มาแปลเป็นเพื่อจะสืบต่ออายุพระศาสนาให้ถาวรจึงสร้างกันคราวละมากๆและมักฝังดินหรือบรรจุไว้ในพระเจดีย์โดยถือว่า เมื่อไปข้างหน้าช้านานถึงพระเจดีย์วิหารจะศูนย์ไปใครไปขุดพบพระพิมก็จะได้เห็นพระพุทธรูปรู้ว่าพระพุทธเจ้าเคยมีเคยโปรดสัตว์ในโลกนี้ชวนให้ระลึกถึงพระพุทธคุณต่อไปกล่าวกันว่าเหตุที่เจ้าพระคุณสมเด็จจะสร้างพระสมเด็จนั้นเกิดแต่ท่านที่ปรารบถึงมหาเทระในปางก่อนมักจะสร้างพระพิมบรรจุไว้ในปูชนียสถานต่าง เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาและเพื่อให้คนชั้นหลังได้บูชาเจริญพุทธานุสติท่านประสงค์จะทำตามคตินั้นจึงได้สร้างพระสมเด็จขึ้นไว้จำนวนมากกล่าวกันว่าสร้างถึงแปดหมื่นสี่พันองค์เท่าจำนวนพระธรรมขันธ